สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่สิบบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบสองนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอัครทูตทั้งสิบสองคนอันนี้คือภาคที่สองครับภาคต่อจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตย้อนดูนะครับว่าหกคนแรกครับที่เปึงอัครทูตเหรืออรสาวกของพระเยซูนั้นคนแรกคือเปโตรนะครับคนที่สองคืออันเดรุนะครับคนที่สามคือยากบคนที่สี่คือยอน เพื่อนั้นครับพี่น้องสี่คนนี้นะครับมีแบ่งเป็นสองคู่ครับคู่แรกก็คือเปโตรกับแอนดรูเป็นพี่น้องกันครับคู่ที่สองคือยากร์และยอนจะเป็นพี่น้องกันนะครับพอคนที่คนที่ห้าครับกลิบนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วโทมัสก็เช่นเดียวกันครับโทมัสก็เรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองนะครับเรียกพระเยซูเป็นพระเจ้าครับและวันนี้นะครับคนที่เจ็ดครับ มัตติวมัตติวนั้นเป็นคนเก็บภาษีครับเมื่อพระเยซูทรงเรียกให้ไปเป็นอัครสาวกเขาทิ้งงานที่ทําอยู่ทันทีและติดตามพระเยซูครับและมัตติวคนนี้เองนะครับมีชื่อชื่อหนึ่งว่าเลวีนะครับมัตติวเป็นคนเก็บภาษีครับและเขาเป็นคนเขียนพระกิตติคุณมัตติวในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยครับพี่น้องครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายถึงชีวิตของมัตติวค่อนข้างละเอียดมากนะครับและขอพระเจ้าได้ทรงช่วยเรานะครับ ในขณะที่มัทธิวนั้นถูกเรียกจากพระเยซูสิ่งที่มัทธิวทํานอกจากการที่จะละทิ้งงานที่เขาทําอยู่ทันทีนะครับเรารู้ว่ามัทธิวนั้นเป็นคนที่คนอื่นเกลียดครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นคนเก็บภาษีครับเพราะฉะนั้นการที่คนจะเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับและการที่คนจะทิ้งอาชีพที่ร่ํารวยเพื่อที่จะมาติดตามพระเยซูก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับที่พระเยซูเคยสอนครับคนร่ำรวย า จ, จะเข้าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยก็ยากยิ่งกว่าอูดรอดรูเข็มคนต่อไปครับคือคือยากรบบุตรอัลเฟียสนะครับยากรบบุตรอัลเฟียสสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับยากร บ, บุตรอัลเฟียสนั้นมีน้อยมากครับเพราะนอกจากว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสิบสองคนที่เบียสูสรงเลือกให้เป็นอัครทูตอัครทูตเหลือการักษาโบกนะครับก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเขานั้นถูกฝูงชนที่กําลังเกลียกระ นะครับโยนออกมาจากสนามกีฬาขนาดใหญ่นะครับและเสียชีวิตเขาเขาเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูพี่น้องครับอัครสาวกหรืออัครทูตแต่ละคนของพระเยซูนะครับเมื่อเขารับพระมหาบัญชาของพระองค์รับมอบหน้าที่นะครับเขาทําจนสําเร็จเขาไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเวลาที่เรารับใช้พระเจ้านะครับ เราก็คิดถึงกําไรขาดทุนคิดว่าฉันจะได้อะไรฉันจะเสียอะไรแต่พี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าทําให้เราเห็นชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูนะครับเขานั้นเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูเขาได้อุทิศชีวิตตวายกับพระเยซูแล้วเขาไม่พวักพวงถึงสิ่งอื่นสิ่งใดทั้งสิน้นครับคนต่อไปครับก็คือทัดเจอุสหรือทัดเดออสันเองทัดเดออสเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นคนใจแข็งครับ และกล้าหาญซึ่งมีความหมายในชื่อของเขานะครับตามเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมานั้นเขาไปเทศนาตลอดในแถบโซเวียตรัสเซียครับและในประเทศตุรกีกนะับโซเวียตรัสเซียและประเทศตุรกีนะครับเรารูนครับว่าเป็นต้นกำเนิดแหล่งนะครับของศาสนาจักรที่เรียกว่า <c oughs> ศาสนาจักรพรีกออร์โดอกซ์นะครับซึ่งเป็นศาสนาจักรทันตนออก นะครับแต่อีกศาสนาจักหนึ่งครับเป็นศาสนาจักของทางตะวันตกนะครับเราเรียกว่าโรมันค a ทอลิกนะครับอันนั้นเป็นนิกายับกรีกออทอร์ดอกก็จะเป็นศาสนาจักกรีกออเทอร์ดอกซึ่งเป็นนิกายนะครับทางฝั่งตะวันออกสองฝั่งนี้นะครับก็จะแตกต่างกันเรื่องของหลักข้อเชื่อนะครับต่อไปครับซีโมนนะครับที่เรียกว่าเซโรเท ซีโมนนั้นเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งหมายจะล้มล้างรัฐบาลของโรมันพวกนี้เรยว่าซีโมนนะครับพรรคชาตินิยมพี่น้องครับในพราะานะาของพระเจ้านะครับได้กล่าวว่าพวกพรรคชาตินิยมเนะครับเป็นพรรคที่รักความเป็นตัวตนของคนอยู่นะครับและไม่พอใจในการที่รัฐบาลใดๆก็ตามรวมทั้งรัฐบาลโรมด้วยนะครับซึ่ง อ่ารุ่งเรืองอํานาจอยู่ในสมัยของพระเยซูนั้นจะมาทำผู้ยี่ผู้ยำกับ <c oughs> ดินแดนหรือคนของพระเจ้าไม่ได้พระยัญชนะโมนนะครับพรรคชาตินิยมนี้ก็มีความมุ่งหมายที่จะปฏิรูปนะครับล้มล้างรัฐ บ, บาลครับในชีวิตของเขาหลังจากที่คพบพระเยซูแล้วชีวิตของเขาเนี่เปลี่ยนไปหลังจากที่พระเจ้าพระเยซูได้ทรงเวทและส่งเลือกเขานะครับ เรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมาบอกว่าเขาไปเทศนาในอียิปต์ครับและในบริเวณอื่นๆของแอฟริกาอีกคนหนึ่งครับ <c oughs> ก็คือบาโทโลมิลนะครับบาโทโลมิลนั้นมีชื่อชื่อนึงว่านาธานเอลซึ่งเป็นคนที่ฟิลิปนะครับพาเขามาเชื่อพระเยซูทันทีที่พวกเขามาพบกับพระเยซูพระองค์ตัดถึงนาธานเอลหรือบาโทโลมิว่าดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายบาโอรมิวจึงถามว่าท่านรู้ลักษณะของข้าพเจ้าได้อย่างไรนะครับมาโอรมิวก็ประหลัดใจครับแต่จริงๆแล้วบาธอรมิวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรในใจอันนี้คืออิสราเอลแท้พินกกับอิสราเอลแท้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวของคนขี้โกงนะครับคนยูแท้ ไม่เป็นเรื่องราวของคนเห็นแั่ตัวแต่คนยิวแท้ตามลักษณะของพระเจ้าที่เป็นของแท้นะครับไม่มีอุบายครับไม่เอาราดระเบียบใครและในขขนดงด้วกันครับก็มีความซื่อสัตย์สูงพี่น้องครับพระเยซูได้ตัดตอบนัทเทนเอลนะครับเมื่อท่านถามพระองค์ว่าท่านรู้จักข้าพระเจ้าได้อย่างไรนะครับพระเยซูตัดตอบว่าไงครับ พอองษ์กลัดว่าเรามองเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อก่อนที่ฟิลิปจะไปหาท่านที่นะครับเมื่อบาทโทมิลได้ยินเช่นนี้บาทเทลเมลรู้เลยครับว่านี่คือการอัศจรรย์ครับและเ ป, เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการอัศจรรย์ของพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นบาเทลรมิวนั่นจึงกล่าวครับว่าใช่แล้วพงษ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นกษัตริย์แห่งชนชาติอิสราเอล จากเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมาตามประเพณีของกิจจุตจักรนะครับบาโธรมิวนั้นมาเทศนาที่ประเทศอินเดียเช่นเดียวกันกับโทมัสครับครับคนสุดท้ายนะครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตคับยูดาสอิสคาริโอตยูดาสอิสคาริโอนั้นได้รับเลือกจากเหล่าสาวกให้เป็นผู้ดูแลเงินทองของกลุ่มเขาค่อนข้างจะเป็นคนโลภมากและไม่อยากเห็นอะไรที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เขาเคยต่อว่าเมื่ อ, เ ม, อ, เ, มอเมื่อมารีเอาน้มันหอมที่มีราคาแพงมาชลมที่พระบาทของพระเยซูเพื่อ น, นครับคนที่เชื่อจูดัสนั้นถามว่าเขาโง่หรือเปล่าผมเชื่อแน่ว่าเขาไม่โง่หรอกครับและเขาสามารถที่จะเป็นคนดูแลเงินทองของกลุ่มนะครับในสมัยนี้ก็คงจะเรียกตำแหน่งเหนันเยกนะครับในขณะเดียวกันครับดูเหมือนว่ายูดัสอิสการิโอเนี่ยนะครับก็ จริงๆแล้วเป็นคนประหยัดหรือมัธยัตนะดูภายนอกครับแต่พเพราะวจนะพระเจ้าได้เปิดโปงเขาออกมานะครับเพระเาะวจนะพระเจ้าบอกว่าเขาเคยต่อว่าเมื่อมารีเอาน้ำมันหอมที่มีราคาแพง <c oughs> มาชโลมที่พระบาทของพระเยซูพี่น้องครับเขาเห็นว่ายูดัสนะครับไม่ได้มีความจริงใจกับพระเยซู นะครับยูดาสตอบว่าเมื่อมารีเอาน้ำมันหอมมาแล้วก็มาเฉลมพระบาเพิ่มพีกล่าวต่อไปนะครับบอกว่าซาตานได้เข้ามาในใจของยูดาสเขาจึงจอร์ดต่อพระเยซูครับและขายพระเยซูให้กับพวกฟาริสีและทหารโรมันเพียงแค่สามสิบเหรียญเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาจับกลุมพระเยซูและยูดาสก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาได้ทาลงไปครับ เขากลับไปคืนเงินให้กับพวกฟาริสีแต่พวกฟาริสีนั้นไม่ยอมรับคืนครับแล้วบอกว่านั่นเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่เป็นของเราพวกเขาเลือกตอบยูดาสนะครับเขาใช้วิธีนะครับที่ไม่ค่อยดีนักในการที่ตอบยูดาสยูดาสรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากครับเขาวิ่งออกไปที่ทุง่งนาและแขวนคอตายบนต้นไม้เพียงครับนี่คือชีวิตที่หนึ่ง หนึ่งชีวิตของอัครทูตนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะเนื่องจากเข้าเป็นคนโลภอยากจะให้ในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนของเราทั้งหกท่านนะครับอาาัครสาวกและอัครทูตทั้งหกคนขอพระเจ้าอวยพรครับอาเมน